กอนที่จะแสดงธรรมาจากเนี่ยนะดวงอาทิตย์จะตกพอดีกับช่วงเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นตรงกันพอดีเลยทั้งนี้ตกท้งนี้ขึ้นหมู่พรหมเนี่ยหมู่เทวดาเขามีการเรียกร้องเป่าประกาศกันเทวดาเนี่ยมาในเหมือนจักรวาลเพราะจริงๆแล้วเทวดาเขาเล็งอยู่ตั้งแต่นอนแหละเทวดามาประชุมมาราชนาให้สรรดุสิตเทพบุตรลงมาปฏิสนธินั่นนะเขาเล็งรออยู่หมู่พรหมทั้งหลายเนี่ยประชุมกันสิบแปดกอดพรหมเนี่ยบรรลุ ถ้าขออนุญามาเข้าใจไม่ผิดหมายถึงบรรลุเป็นผ้าอรหันเนี่ยสิบแปดโกดมรพนชั้นล่างๆไม่ได้กล่าวถึงแต่ว่าส่วนที่บรรลุอรหัตพนเนี่ยนะพรอมเนี่ยสิบแปดโกดมนุษย์เนี่ยพระอัญยาโกธัญญะบรรลุแต่ก็เทวดาพวกอื่นๆไม่ได้นับนะเทวดาเช่นพวกพร ม, มเทวดาอากาศเทวดาผู้ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อวนันก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวนันคือวันอะไร อาสาลหาบูชาวันอาสาละหบูชานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จพระพุทธดําเนินมาจากที่เราเรียกว่าบริเวณพุทธคยาเนี่ยนะต้นอาชาตาระนิเคราเนี่ยคือหลังจากที่พระองค์บิณฑบาตฉันเสร็จพระองค์ก็เสด็จพุทธดําเนินมาพุทธดําเนินก็คือเดนเนินนะนะพระองค์ก็พิจนารณาถึงว่าพระพุทธเจ้าแต่ต่างก่อนพระองค์เนี่ยมาแสดงธรรมจากพระองค์เสด็จมาอย่างไร ก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้เหาะมาเหาะมาจากที่ปรสรู้มาเพื่อแสดงธรรมจกากพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็พิจารณาถึงว่าถ้าพระองค์เหาะมาเหมือนเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนผู้ที่ขาดประโยชน์ก็คืออุปกาะชีวกนั้นพระองค์ก็เดินมาให้อุปตะชีวกเห็นมีการกล่าวธรรมว่าพระองค์นี้ชื่อว่าอนันตชินซึ่งการเห็นพระพุทธเจ้ากับอุปกาะชีวกครั้งนั้นถือว่าเป็นอุปนิสัย ให้ตอนหลังอุปกาชีวกเนี่ยมาบวชบวชแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีไปปฏิสนธิในพรมก็บรรลุในชั้นอวิหาคือบรรลุเป็นพระทหารในชั้นอวิหาเลยปฏิสนธิในพรหมโลกก็บรรลุเลยยังไงพระ อ, องค์ก็เลยเสด็จพระพุทธดำเนินมาพระ อ, องค์เนี่ยพุทธดําเนินจากบริเวณพุทธคยามาที่ธารนาสีคือพระ อ, องค์เนี่ยดำเนินเป็นปกติถือว่ามาถึงช่วงเย็นๆพอดีก็ ตามดำเนานาก็กล่าวถึงว่าพระตัญจาคกีทั้งห้าก็อยู่ที่แถวเจ้าคันทีสถูกก็พบกันพบกันก็มีการกติกาดังที่เรารู้กันเสร็จแล้วก็พอค่ำๆพระองค์ก็พุทธดำเนินมาที่ที่ตรงนี้ที่เราเห็นพระองค์ก็ประทับนั่งพระตัญจาคกีก็ประทับนั่งหมู่ทเทวดาทั้งหลายก็มีการประกาศต่าร้องเชิญชวนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจากักแสดงพระธรรมจักร หมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะเทวดาและพรมทั้งหลายก็มาจากหมื่นจั ก, กรวาลเป็นหมื่นจั ก, กรวาลเลยนะที่มายังก็ยังแปลกใจว่าตอนนั้นเรามากับเขาบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่สันติมาไหมตอนนั้นนึก ไ, ไม่ออกเลยนะซึ่งพระองค์ก็แสดงพระองค์ก็ประกาศอย่างคําว่าทเวเมพิคเวเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าเสียงเนี่ยดังกดกล้องภายในกดกล้องดังไปถึงพรหมโลกเลยนะเสียงพระพุทธพจน์ที่ตรัสนั้น เทวดาพอได้ยินเสียงเนี่ยถ้าด้วยเทวานุภาพมันแค่แห่นึกก็มาถึงน่ก็มาได้ทางความคิดเนี่ยนะก็มาถึงก็มีการมาฟังธรรมซึ่งเราก็ลองสวดเป็นภาษาบาลีก่อนพร้อมกันเลยนะทั้งแปลด้วยเอเวรเมสุตังเอตังสา ม, มายังภะควาภารานสิยังเวหาเต เสสปะตะเนมีขทาเยตาตระโคตาขวาปัญจวัพพยพิคุอามันเตสิข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาเจ้าปราทายุนาอิสิปะตตนะมรุขทยวัน กรงภารานสิฮีนาที่นั้นแลพระเพื่อมีพระพเจ้าตรัสเรียกเพิกโุปัญจาคีมาแล้วตรัสว่าคาเวเมพิขเวอันตาปาปชิเตนานาเซวิตาภา โยจายังกามสุขามัสุขะลิกานโยคใหโนคัมโมตุโทฌานิโกอานาริโยอานาทัศนิโตโยจายังอัตติลามัธานุโยคด k โกอานาริโยอานาทัศนิโต ดูก่อนเพียกโสดทั้งลหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันดันประชิดไม่ควรโสดคือการประกอบตอนให้พัวพันด้วยการมาสุขในกามทั้งลหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะ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 มาชิมาปฏิปะทะตาตาาทาคตนาอภิสัมุทธาจากุการณียานักการณีอุปาสมายาอภาินย า, ยาสัมภทธายานินธานายาสังวตติดูก่อนเพลุทั้งลหลายปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านั้นอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอัน่ง็นทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน ก็รงที่ว่าทะเวเมพิเวเป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสเียว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบัญปะชิตไม่ควรส่องเสพคือข้อปฏิบัติส่วนสุดในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติทั้งสองประเภทนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเลยสองประเภทนั้นคืออะไรคือการประกอบความสุขในกามการแสวงหาความสุขจากรูปดูรูปและมีความสุขกับรูป สแสวงหาความสุขกับเสียงสแสวงหาความสุขกับกลิ่นแสวงหาความสุขจากรสแสวงหาความสุขจากผลทพะก็คือสแสวงหาจากวัตถุกรรมทีนี้การแสวงหาความสุขจากวัตถุกรรมเนี่ยสภาพจิตที่แสวงหาคืออะไรก็คือกิเลสกรรมทัานกิเลสกรรมแสวงหาความสุขในวัตถุกรรม สิ่งนี้ผู้ที่เป็นบันตะชิดคือผู้เว้นโดยรอบจากบาป ท, ทั้งหลายไม่ควรจะประพฤติเช่นนั้นถามว่าทำไมจึงไม่ควรประกอบความสุขในกามทำไมจึงไม่ควรสวแสวงหาความสุขจากวัตถุ ก, กามเพราะว่าสิ่งนี้เป็นของเลวเนี่ยคือไม่ใช่ของดีเป็นของชาวบ้านเป็นของตุตุชนคำนี้หมายถึงว่าเป็นของสาธารณะมากในการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ เ ช, ช่นว่าในหมู่เปรตทั้งหลายเขาก็แสวงหาความสุขเหล่านี้หมูเดรัจฉานทั้งหลายเขาก็แสวงหาตามมาสุ ข, ขเหล่านี้หมู่มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นคนต่าคนเถื่อนคนเขาคนที่ไหนก็ตามบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะก็แสวงหาความสุขในวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านี้และกระทั่งหมูเทวดาทั้งหลายก็แสวงหาความสุขจากวัตถุกรรม เมื่อเขาสแสวงหาความสุขจากวัตถุ ก, กรรมเหล่านี้คนที่ได้ประสบความสําเร็จจริงๆในวัตถุ ก, กรรมไม่มีเท่าไหร่เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่องังตัดว่าความสุขในวัตถุกรรมทั้งหลายมีอาสาธะน้อยอาสาท่าแปลว่ามีความน่ายินดีน้อยเหลือเกิน น, นะความยินดีไม่มากที่เกิดจากการสแสวงหาวัตถุกรรมอย่างเรารู้กันนะยังแม่เคยทั้งหลายจะได้บ อ, อกว่า แสวนหาความสุขจากปลายลิ้นเนี่ยไอตัวที่มันอร่อยแล้วมีความสุขจริงๆเนี่ยนะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเนี่ยไม่กี่คำหรอกแต่ถ้าหาว่าเราคิดถึงว่าเราจะต้องไปหาเครื่องประกอบใจตลาดเองมาทั้งหมดเพื่อที่จะมาประกอบให้เป็นอาหารเพื่อจะได้ชิมอร่อยสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ปัดกวาดเช็ดถูล้างออกละภาระติดตามมาังั้นความสุขที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยหน่อยเดียวแต่เท่เหรอละ มีแต่ความเหน็ดเนื่อยเพรา ะ, ะนั้นความสุขทั้งหลายที่ได้จากวัตถุ ก, การมมันนะมีความอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีโทษมากทุกข์อื่นยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีดังที่เราทั้งหลายร่วมกันสาธยายในบนรถนะนะทยายบนรถที่กล่าวถึงโทษของกามทั้งหลายว่ากามทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้หมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกี่ยวข้องกับการแสวงหาวัตถุการม ถามว่าเขาสแสวงหาวัตถุกรรมด้วยจิตชนิดใดสังเกตนะว่าขอทานทั้งหลายขอวัตถุกรรมจากเราเราเนี่ยเขาขอด้วยจิตชนิดใดโลภะด้วย อ, อกุศลทีนี้เขาถามว่าโลภะจริงแต่ดับสลับกับโทสะคือสงสัยพระคุ า, าจะให้หรือเราเขาไม่ให้เราเนอโทสะนะคนขอเนี่ยขอทานไม่ใช่ไม่เครียดนั่งเครียดมืองกันถ้าเทียบกับคนจะให้คนให้นี่ยิ้งเลยเนะคนให้เนี่เทียบแล้วมีความสุขมากที่จะสละวัตถุกรรม ก็ตอนก็จะพูดแบบไม่ง่ายถ้าใครที่ค้าขายนี่นึกออกแลนะ้วตอนที่หยิบยื่นจะขายของให้คนอื่นเนี่ยมันมันมีความรู้สึกยังไงขอร้องให้เขามาซื้อของเราเนี่นะพวกขอทานก็คล้ายๆกันเหมือนกันเขามีความอึดอจจัดใจมีความลำบากใจเพื่อที่สวอนหาวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้น ก็เดือดร้อนทั้งนั้นหมูสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นเห็นบนท้องถนนที่ผ่านมาทั้งหมดหรือที่ไหนๆก็ตามบุคคลทั้งมวลเหล่านั้นโดยมากร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์ซ็นตเนี่ยนะร้อยละเก้าสิบเก้าเนี่ยแสวงหาวัตถูกกรรมถามว่าเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเนีย่ยนะลำบากขนาดไหน อาจารย์อาสาทะน้อยด้วยการสแสวงหาก็ลําบากด้วยเพราะการมเป็นเหตุเพราะการม เ, เ, เ, เป็นต้นเขาการประกอบอาชีพทั้งหลายการทํามาหากินทั้งหลายวันนี้เราเห็นพวกคนงานเอามือเนี่ยกอบอิดกอบหินกอบทรายบนท้องถนนเนี่ยนะถามว่าเขาทำเพื่ออะไรเพื่อวัตถุกรรมดังั้นการสแสวงหาวัตถุกรรมเนี่ยเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดเต่นก็เติมแม้ ก, กระดึกเื่นไปดึกหลับก็หลับดึก กลางวันก็เครียดเราะกลางวันนี่ลึกโผลงเป็นไฟกลางคืนก็ควันในขมงท่วมไปหมดเลยไนงะกลางคืนกับเป็นไฟกลางวันก็ขมองอันในช่วงระหว่างการแสวงหาวัตถุกรรมเนี่ยคนเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดลำบากลําบืนจิตใจก็เครียดหงดเงี ด, ดไม่สบายใจคนที่ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขจริงๆนี่มีไม่กี่คนแต่โดยมากเนี่อยู่ด้วยความทุกข์ความยากความลําบากความเหน็ดเหนื่อยความ ทุกภาระทั้งหลายในการประกอบอาชีพเพ้าทุกทั้งหลายเนี่ยทุกตั้งแต่การแสวงหากว่าจะแสวงหาก็ทุกขหนักหนาเมื่อแสวงหามาได้แล้วทุกในอะไรทุกในการรักษารักษาแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่ง่ายเนี่ยนะมีข้าของแต่ละอันเนี่ยก็คิดถึงความทุกยากลําบากในการรักษาแล้วก็เมื่อรักษาแลยนะรักษาก็เพื่อ ต้องกันให้มันอยู่คงต่อไปแต่แล้วมีใครรักษาได้จริงๆบ้างไหมไม่ได้เพราะนักบวชว่าตั้งแต่การแสวงหาวัตถุกา ร, รมตั้งแต่การแสวงหาไนงะจิตเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลเพราะนั้นผู้ที่แสวงหาวัตถุ ก, กรรมโดยมากแสวงหาด้วยอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษแล้วแล้วก็ระหว่างการแสวงหาวัตถุกรรมชนบางพวกต้องทําปาณาติบาต ชนบางพวกต้องทํำอธินนาทานชนบางพวกต้องทําการเมสุมิจฉาจาร์ชนบางพวกต้องมุสาวาตชนบางพวกก็ต้องสัมผัสปราปะต้องปิสุนาวาจาต้องพุทธวาจาต้องดื่มสุราและเนรัยนะจะต้องทําบาต ท, ทำอกุศลทั้งโลกนี้ด้วยมากปด้วยอุทชาร มากไปด้วยพยาบาทแล้วในที่สุดก็กลายเป็นยิจฉาทิฏฐิบุคคลไปอันในทอนนี้เขาก็ทําบาปทำอากุศลแล้วถ้ายิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นก็สงครามแสวงหาวัตถุกรรมสงครามทั้งมวลนั้นล้วนแต่สึกชิงวัตถุกรรมแย่านะชิงวัตถุกรรมปัญหาความทุกข์ความยากลําบากทั้งมวลเหล่านั้นล้วนแต่เกิดจากการแสวงหาวัตถุกรรมพันการที่จะได้วัตถุกรรมมาเนี่ย ม, มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วถามว่าจุติและปฏิสนธิที่ไหน ที่เรสแสวงหาอย่างที่เราพอศึกษาธรรมะอย่างนี้เรารู้เลยใช่ไหมเราสแสวงหารถเอาไหมก่อนตายมีรถเป็นอารมณ์นะนะโอ้สแสวงหาเสื้อตัวนี้สวยมากเอาไหมมีเสื้อตัวนี้เป็นนิมิตก่อนตายระวังเนี่ยจะแบบเกิดเป็นเลมเหมือนพระพิสุรุษ น, นั้นนะนะที่ท่านนึกถึงจีออก่อนตายแล้วก็ตา ย, กตายกเกิดเป็นเลนสิ่งที่สแสวงหาทั้งหมดเนี่ยหาแทบตาย บางท่านละทาเหมือนกับทําสงครามเลยเพื่อหาวัตถุ ก, กรรมหามาได้ไม่แม้แต่คิดถึงก่อนตายก็ยังไม่อยากจะคิดถึงเลยใช่ไหมแต่ก็หาจริงๆเลยนะอย่างที่เราหาอาหารเนี่ยโอ้ที่เลือกร้านหาอาหารก่อนจะได้บริโภคนะหาอาหารถ้าท่านต้องถ้าแตะปากไปแล้วนะหลังจากนั้นไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงเออทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นของ ปฏิกูเนี่ยนะตอนถ้ายิ่งออกจากกายแล้วด้วยนะฮอ้วันนี่ไปสสเสียงเซียนกันมาเป็นทีนั่นเป็นผลทวงของอะไรวัตถุกรรมเนี่ยนะจริงๆอ่ะสิ่งนั้นเนี่ยมันเคยเป็นของที่หอมอร่อยมากแต่ตอนนี้มัน เดีย๋ยวมาทงหน้าให้ดูนะของมานึกทำใจไม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยผลนองอาหารอร่อยอร่อยเลยนะน้ําดื่มที่เยืนสบายเนี่ยกลามาเป็นกลิ่นที่ไม่พึงปราถนานั่นคือที่เสุดแห่งวัตถุการมเรามาตรงนี้เนี่ยไม่ว่างเว้นจากสัตว์ในอบายเลยสัตว์ในอบายทั้งหลายที่เขาต้องตกในรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เบรฉานทั้งมวลเหล่านั้นเนี่ยถามว่ามาจากไหน มาจากการเพเลิดเพลินหลงไหลในการสแสวงหาวัตถุกรรมทำด้วยจิตที่เป็นัตบเป็นอกุศลเบื้องหน้าแต่ตายกลายแต่ไปเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกนผู้ที่ตกนรกเป็นต้นผู้ที่เดือดร้อนมูสัตว์ที่เดื อ, รอดอร้อนเดือดร้อนพระ วัตถุ ก, กรมแสวงหาวัตถุ ก, กรรมนั้นประชาชนตลอดเส้นทางตั้งแต่อยู่บ้านเรามาจนถึงหน้าบัดนี้ผ่านเส้นทางของผู้ที่แสวงหาวัตถุ ก, กรมเป็นบุคคลที่หอยหิวในวัตถุกรรมเป็นผู้ที่ไม่อิ่นในวัตถุกรมที่นี้สัตว์ทั้งหลายเขาเชื่อว่าเมื่อได้วัตถุ ก, กรรมแล้วมีความสุขใช่ไหม ความสุขเหล่านั้นมันเล็กน้อยพระองค์จึงบอกว่าบัรพชุตนะถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์ไม่ควรแสวงหาว่าความสุขจากวัตถุเหล่านี้เพราะอะไรเพราะความสุขเหล่านี้เลวมากไม่ไดีจริงๆพระองไม่ได้บอกว่ามันไม่มีความสุขนะพระองค์ก็บอกว่ามันมี แต่มันน้อยเกินไปน้อยจริงๆเลยนะมันหลายแห่งที่เราเคยได้ยินว่าเรียน้ํำพึ่งบนคนมืดโกลนเนีเ่ยนะบนคนมืดเนี่ยนะมันเท่า น, นั้นแหะนะถ้าเรือแพดหนึ่งได้สองแฉกใช่ไหมถ้าเรือสักสามครั้งได้กี่แชกก็ได้หลายๆแฉกเัราคนที่ทะเลาะกันด่ากันจริงๆนะคนด่ากันทะเลาะกันเครียดกันไม่พอใจกันเพราะวัตถุกรรมพระองค์ตัสว่าเพราะการทั้งหลายโมศจึงเศร้าหมอง เพราะการทั้งหลายสัตว์จึงเศร้าหวงโดยที่สุดแม้แต่เสียงนกที่เราได้ยินเสียงเนี่ยเขาเกิดจากการสแสวงหาวัตถุ ก, กรรมนี่เป็นผลของการเสพสุกจากวัตถุกรรมเข้าเดือดร้อนอย่างนี้พันบันประชิดในพระาศาสนานี้ไม่สมควรเพราะการสแสวงหาวัตถุกรมเป็นสิ่งที่สัตว์ในโลกนี้ประพฤติมาตั้งแต่นรกสัตว์นรกทั้งหลายก็สแสวงหาวัตถุกรรม เปรตทั้งหลายก็สแสวงหาวัตถุกรรมมูเดียร์ฉานทั้งหลายก็สแสวงหาวัตถุการมมนุษย์ทั้งหลายก็สแสวงหาวัตถุกรรมเป็นเทวดาทั้งหลายก็ลหลงไหลเพล่เพลยในวัตถุกรรมแล้วก็เวียนกลับไปสู่อาบายทุคติวินิบาศนารกซึ่งความสุขเหล่านี้น้อยมากไม่มากถ้าเทียบ ก, กับความทุกข์เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเยี่ยงนี้ไม่สมควรถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นนิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่มันเอียงสุดตกขอบข้างหนึ่ง นะตกขอบข้างหนึ่งเปรียบเหมือนอย่างว่ามีสะพานเป็นราวสะพานเนี่ยข้ามจากฝั่งวัด ต, ตะไปสู่มีวัด ต, ตะแต่เป็นสะพานแขวนเนี่ยนะสะพานแขวนแล้วก็ต้องเดินข้ามเหวทีนี้มีประชาชนกลุ่มหมนึ่งเดินเอียงซ้ายก็ตกอะไรตกเหวตายทีนี้เอาละฉันจะไม่เดินเอียงซ้ายใช่เอียงขวาแทนตายให้มันสุดขวาเลยออกบวชเลย เขาเลยการประกอบความเหน็ดเหนื่อยให้แก่ตนเพราะสมัยนั้นนักเบื่ดเขาถือว่าเป็นที่ยอมรับของหมงชนมากที่สุดคือกลุ่มไหนกลุ่นที่ทำตัวเองให้เดือดร้อนต้องกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้จะต้องทำตัวเองให้ลำบากที่สุดเท่าที่จะลำบากได้เพรา ะ, ะกลุ่มปันจวักคีเนี่ยคอยเชียร์เจ้าชายสิทธะหรือที่เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์ว่า ท่านจะต้องลำบากให้มากๆจะต้องทรมานให้มากๆจะต้องทําตัวให้เดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะเดือดร้อนแล้วท่านจับบรรลุเขามีความเชื่อแบบนั้นเพราะโพธิสัพว์ก็ทําตาทำอย่างที่คนยุคนั้นเขาเชื่อเขาเข้าใจทําจนเกือบตายะนะจนเกือบตายบอกว่าถ้าเลยแม้กระทั่งอะไรนะความร้อนเนี่ยถ้าเลยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งฟิวขาดแล้วว่างั้นน่ะฟิวขาดเล ย, ลเลยถ้าถ้าเพิ่มอีกนิดเดียวนี่ฟิวขาดพระพุท อ, องค์เนี่จนถึงที่สุด พ่อพ้องก็หันกลับมาอย่างที่เราฟังกันวันก่อนพ่อองค์ก็หันมาปฏิบัติอาณาปานสติแล้วก็พิจารณาอริยสัจจึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพันการทําตนให้ลําบากไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยเนี่ยนะไปทําตนให้ลําบากนั่งนั่งทั้งวําทั้งคืนหรือยืนทั้งเดินทั้งวันทั้งคืนหรือไม่กินอะไรเลยยอมอดยอมอยากยอมทําตัวให้มันทรมานอันนให้มันเดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะเดือดร้อนเพราะก็มีกลุ่มบางกล่มเข้าถือว่าการปฏิบัติด้วยการทําตัวให้ เดือดร้อนเท่าไรได้บุญเท่านั้นทุกทรมานเท่าไหรได้บุญมากเท่านั้นก็เลยแสวงหาความทรมานที่สุดให้แก่ตัวเองเดือดร้อนแก่ตัวเองเต็มที่ไม่ถือเอาไม่ถือเอาตัวกรรมฐานเป็นหลักแต่ถือเอาความทรมานเป็นหลักอะเช่นการบอกว่าเออการนั่งสมาธินี่อย่างยุ่งนี้ถือเอาการนั่งสมาธินั่งทรมานตัวเป็นหลักไม่ได้นั่งเจริญ กรรมฐานอะไรไม่ใช่มีตัวกรรมฐานแต่เธอเอาความทรมานเป็นหลักเพราะการประพฤติเช่นนั้นไม่สมควรเนี่ยนะถือว่าเป็นทางการทําให้ลําบากไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยนะประโยชน์โลกนี้ก็ได้อะไรบ้างยิ่งประกอบปฏิบัติอย่างนั้นมากยิ่งทุกข์มากเนี่ยนะแล้วโลกหน้าถ้าทำด้วยทิฏฐิเหล่านั้นคติของเขาคือนรกกัดเตระชานเพราะฉะนั้นไม่ประโยชน์โลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีจะกล่าวไปยายถึงพระนิพพาน พระนิพพานนี้ไม่ใช่ฐานนะะเพราะฉะนั้นที่สุดจสองอย่างนี้บัญปชิตในพระศาสนานี้ไม่ควรปฏิบัติเนี่ยนะคือสรุปโดยสรุปหนึ่งอย่าแสวงหาความสุขจากวัตถุกรรมสองอย่าไปทําความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองส่วนข้อดูก่อนที่สูจทั้งหลายข้อปฏิบัติเครื่องบําเนินสายกลางมัชชีมาเนี่ยนะไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านั้นคือบางคนหมดไปเข้าใจผิดว่าไอ้มัชชีมาคืออะไรคือหมายความว่าสุขบ้างลําบากบ้าง อ่าพวกนี้เอาเอาสุขกับทุกข์สลับข้าเข้ากันไปใช่ไหมช่วงหนึ่งก็บริโภควัตถุ ก, กรรมให้เป็นที่เช่นกลางวันนี่อดอาหารให้มันเหนื่อยเด็นที่กลางคืนกินให้เป็นที่อย่างเงี้ยลำบากบ้างเหนื่อยบ้างอิ่มบ้างอดบ้างะนะบางกลุ่มนี่ทําเช่นนีออ้อันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่แบบนั้นมัชฌิมาปฏิปทาต้องไม่เกี่ยวกับสองส่วนนั้นเลยตัดออกไป ประเด็นนั้นยกไว้ทิ้งไปไม่ต้องสนใจพระธรรมโคตเนี่ยได้ตรัสรู้ข้อปฏิบัติสายกลางเที่ไม่เกี่ยวข้องกับบาปอากุศลละนัดละธรรมเหล่านั้นเลยเป็นข้อปฏิบททัติที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยนะที่พองตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดดวงตาตาในที่นี้คือตาปัญญาทําไมจึงยกตาเป็นหลักบอกว่าคือข้อปฏิบัติในพระาศาสนาเนี่ยนะอย่างที่เราเคยได้ยินว่า การตรัสรู้ทมการบรรลุมรรคผลการสิ้นอาสวะเนี่ยสำหรับผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่เพราะฉะนั้นจึงยกตามันต้องเห็นจริงๆนะมันเหมือนเห็นด้วยตาเนี่ยนั้นก็ปฏิบัติที่ถูกต้องมันต้องเหมือนเห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นก็เลยอุตมาว่าทำตาให้เกิดขึ้นตาในที่นี้คือตาปัญญาตาปัญญานี่เห็นอะไรเห็นอริยสัจ ต, ตาปัญญาเห็นอริยสัจทายามให้เกิดยามก็คือ อย่าง น, นคือความรู้หรือรู้โดยประการต่างๆเนี่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อความสงบสงบอะไรสงบวัฏฏะคาว่าสงบวัตฏะเป็นชื่อของพริฐานที่สงบวัฏฏะรู้ยิ่งก็เป็นชื่อของรู้ยิ่งอริยมรรุปรสรู้ก็เป็นชื่อของอริยมรรุเพื่อ น, นิพพานนิพพานก็ตรงตัวเพราะฉะนั้นทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดรู้ยิ่งปรัสรู้เนี่ยพวกนี้เป็นสายมรรุ ความสงบสงบนีบางแห่งก็หมายถึงอริยผลเพราะนั้นข้อปฏิบัติสายกลางเนี่ยนะที่ไม่เอียงเข้าไปในส่วนสุดสองประการเป็นความรู้เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดความรู้เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานที่ที่พระองค์ไม่ตรัสรู้เนี่ยนะพระตถ า, าคตได้ตรัสรู้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเนี่ยทำให้เกิดเอ่อเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ถามว่าข้อปฏิบัติเป็นไนสาธยายพร้อมกันกะตามาาามัมมะจัสาพิเควมาเิมาปฏิปัฏฐาตถาคเตนะอธิสัมพุทธาจาโคุการณียาณการณีโอตาสมายาอภิญญายาสัมพุธายเนิพานายาสามวตาตัตถุ ดูกรเพิกรสูทั้งหลายก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพานเป็นชนะให้อายะเมวะอริโย อ, อัธังคิโกมะโคสายาิทถังสัมมาเทติสัมมาสังคัปโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะ สัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสั ม, มาุทธดูก่อนพิสุทั้งหลายปฏิปทาสายกลางนั้นได้แต่อริยมรรมิองแปด